ความเพียรเพื่อทําใจให้สงบระ ง, งับใจที่สงบระ ง, งับนี่แหละถึงจะมีความสุขเราจะไปหาความสุขจากอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้มันเป็นสุขชั่วคราวสุขอันเกิดจากการทําใจให้สงบนี้ได้ชื่อว่าเป็นความสุขแท้ แต่ก็ยังไม่แท้จริงๆหรอกต่อเมื่อได้เจริญปัญญาฟอกจิตใจนี้เข้าไปจนมันละอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นโดยประการทั้งปวงได้นั้นแหละถึงจะได้รับความสุขอันเป็นแก่สารแก่นสารจริงๆ ความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงความสุขที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ก็เพราะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยวัตถุภายนอกอาศัยความยึดถือในวัตถุอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ไว้เมื่อวัตถุเหล่านั้นแปรปรวนไป ดับไปความสุขมันก็หมดไปด้วยกันนี่ให้พึงพากันพิจารณาเห็นความสุขชั่วคราวนี่มันอิงอาศัยวัตถุต่างๆดังนั้นการที่เรามาทำความเพียรทำสมาธิภาวนาฝึ ก, กจิตใจให้ เขาถึงความสงบในทีน่นี้หมายถึงว่าเราต้องการให้จิตนี่มันสงบอยู่โดยลำพังไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งอื่นใดมาเป็นอารมณ mm. ์ให้มันสุขให้มันสงบอยู่ด้วยสติสงบอยู่ด้วยปัญญา ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือเอามาเป็นที่พึ่งอันเป็นแกนสารได้ปัญญาต้องมองเห็นสังขารคือสิ่งที่บังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรส่งจิตใจไปยึดไปถือสิ่งภายนอกในขณะที่เราทำความเพียรอยู่ต้องทวนกระแส จ, จิตกลับเข้ามาภายในมาเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ได้เพราะลมหายใจเข้าออกนี่เป็นเส้นชีวิตโดยแท้ชีวิตนี่ก็มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงเมื่อใดชีวิตนี่ก็หมดความหมาย เราก็เรียกกันว่าคนตายแต่ไม่ทราบเลยว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอเ ส, สมอแต่ว่าก่อนที่ลมหายใจมันจะหยุดลงนี่นะเนี่ยสำคัญนะมัน ป่วนปั่นวันไว้มันแปรปวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อย่างรุนแรงเลยทีเดียวสังขารร่างกายอันนี้ที่โบราณท่านว่าถาดมันจะแตกน้ำมันจะดับนั่นนี่มันดินโรนกวนกวยสารพัดบุคคลใดไม่มีสติควบคุมจิตไม่เคย ฝึกจิตใจมาแต่ก่อนแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะสำมรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้เลยจิตนี้ก็เลยหวันไว้ไปตามทุกขเวทนาหมดรืมเนื้อรืมตัวไม่ทราบว่าตนนั่นตั้งอยู่อย่างไรไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าจิตใจของตนตั้งมั่นอยู่ในความดีได้หรือไม่หรือมันไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งใดก็รู้ไม่ได้เลยนี่เป็นภัยอันร้ายแรงที่สุดเลยในชีวิตของคนเรานะ่ะความที่ปล่อยจิตของตนให้หลงไปตามอำนาจแห่งสังขารทางหลายที่แปรปวนไปต้อง เตลียมตัวไว้เสมอผู้ดใดไม่เตลียมตัวไว้ถึงเวลานั้นมาแล้วมันจะไม่มีกำลังใจที่จะมาต้านทานต่อทุกเวทนาต่างๆได้มีแต่ลอยไปตามมันเท่านั้นแหละเหมือนอย่างบุคคลพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องเหนือ ถ้าคนไม่มีกำลังเรี่ยวแรงมากพอสมควรไม่สามารถที่จะพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้เลยมีแต่มันไหลไปตามกระแสน้ำนั่นเลชั้นใดก็อย่างนั้นเลยคนเราถ้าหากว่ากำลังใจอ่อนแอได้อย่างนี้มันย่อมไม่สามารถที่จะต้านทานต่อทุกเวทน า, ทาต่างๆได้ ไม่สามารถจะต้านทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาที่มันจะจูงใจให้ไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกเนี้ก็ฉันนั่นแหละไม่พึงพากันเข้าใจอเนี่ยเพราะฉะ น, นั้นการฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอตั้งมั่นอยู่ในสติในปัญญานี่นะ จึงชือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ต้องการความสุขอันเป็นแกนสารผู้เบื่อหน่ายต่อความทุกข์เราจะต้องพยายามฝึ ก, กจิตใจนี้ให้หนักแน่นให้มีที่พึ่งอันมั่นคงไว้เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าจิตใจนี้มันก็จะไม่ได้หลงไม่ได้ลืมตัว มันจะไม่หวนไไวไปตามทุกขเวทนาทางต่างนั่นมันจะนึกถึงความดีได้นึกถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ได้นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทามาได้เมื่อเราเคยรวบรวมบุญคุณเข้าไว้ในจิตใจนี่แต่เวลายังดีๆอยู่เนี่ย นวบเป็นความดีของเราทุกคนทีเดียวเพราะเมื่อเวลาจิบหนักลงจนจะตายมันก็จะนึกถึงบุญถึงคุณเหล่านั้นได้บุญคุณเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจเป็นที่พึ่งของจิตได้อย่างมั่นคงในเวลาเช่นนั้นนี่นี่แสดง ตามถึงบุคคลที่ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้จิตใจยังหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไม่ได้มันต้องยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งก่อนอเป็นอย่างนั้นถ้าบุคคลใดไม่มีบุญคุณนี้เป็นกําลังใจแล้วมันก็สู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น สำหรับท่านผู้หลุดพ้นแล้วนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นเพราะจิตท่านมันอยู่ยเหนือโลกอยู่เหนือขันห้าแล้วทุกทั้งหลายจะไปครอบงำจิตของท่านไม่ได้เลยเรีวยกว่าจิตของท่านเป็นอิสระเสรีไม่ติดไม่คล้องอยู่กับสุข ก, กับทุกข์ กับดีกับชั่วอะไรแล้วในโลกนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีทุกข์ชื่อว่าเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วแต่เวลายังไม่ตายหมายความว่าอย่างนั้นแหละอันบุคคลผู้ยังมีอุปทานอยู่นี่มันไม่แน่นอนเลยทีเดียว ถ้าไม่เตรียมตัวไว้เสมอไม่สะสมที่พึ่งอันประเสริฐในใจให้มันคงแล้วเวลาเช่นนั้นมาแล้วนะจิตใจนี่มันจะหลงไหลไปเมื่อไหรก็ได้ลืมมันนะจะลืมตัวไปนึกถึงกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้เลยเมื่อทุกข์ครอบงมจิตใจอย่างรุนแรงแล้วนะ ยอมละเมอไปตามทุกนั่นเลยเหมือนคนนอนหลับไหลฝันไปต่างๆนานานะธรรมดาคนนอนหลับไปนี่ไม่มีสติเลยสุดแล้วตั้งแต่สัญญาอารมณ์มันจะจูงไปยังไงก็เห็นไปอย่างนั้นแหละในฝันนะั่นนะไม่ไม่นึกว่าเรื่องนั้นไม่ไม่ควรจะคิดไปมันก็คิด อย่างนี้นะในฝันนะนะแต่เพราะมันไม่มีสติเรื่องมันนะเมื่อตื่นนอนมาแล้วมาวินิจฉัยดูละเอ๊ะเรื่องอย่างนั้นมันไม่ควรจะคิดไปไม่ควรจะเห็นไปอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็เป็นไปอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าเวลาหลับอยู่นะนะั้นมันไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตัวเองไม่ได้เลย อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่มีสติสมัชญะเวลาเจ็บหนักลงทุกขเวทนาครอบงมจิตใจก็ลืมตัวไปเลยไหลไปตามทุกขเวทนาทางต่างนั้นร้องครวนครางไปเรื่อยเปไปอย่างนั้นแหละนี่ เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลพูกนั้นก็ย่อมไปตามกรรมละวบนนี้น ะ, ะจะตั้งจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ได้เลยสุดแล้วแต่กรรมมันจะพัดผันไปทางไหนอะ่ะบัเนี่อย่างนั้นนับป่าขาดทุนทีเดียวถ้าผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นเวลาชวนจะตายน ะ, ะที่ ท่านกล่าวไว้ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นหนูไปเกิดเป็นสัสตว์ต่างๆอยู่เหมือนนั่นนะ่มันล้วนตั้งแต่เวลาชวนจะตายในจิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องให้พากันเข้าใจล่วงหน้าไว้เลยเราจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นอธิษฐานใจไว เราจกมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้ในปัจจุบันนีน้แม่จะเจ็บไข้ไม่สบายอะไรมาไม่ถึงขาวจะล้มจะตายก็ตามเราจะต้องทำใจเข้มแข็งไม่ต้องย่อท้อต่อทุกขเวทนาอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เสมอไปทีเดียวแหละ กำหนดใจให้แน่วแน่อยู่ภายในไม่ให้ใจมันส่งออกไปข้างนอกแม้ว่ามันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในกายในจิตนี้อย่างไรก็ตามก็อย่าไปอ่อนแอต่อทุกขเวทนานั้นส่งทําใจเข้มแข็งต่อสู้อย่าไปกลัวทุกขเวทนา ถ้ากลัวทุกขเวทนาเท่าไรจิตใจมันยิ่งพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าทุกขเวทนาก็คือสังขาร น, นั่นเองมันถูกปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันใดทุกขเวทนามันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นเนี่ย มันมีเกิดขึ้นได้มันก็มีดับไปได้เหมือนกันก็ต้องกำหนดอย่างนี้ไอ้การที่จิตใจเราจะฟวนปัน่นวะันไหวเนี่ยเพราะเหตุว่ามันไปยึดเอาสังขารอันนั้นต่างหากถ้าหากว่าใจไม่ยึดแล้วใจนี่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่กวนกวายแต่อาการของสังขาร น, นั่นมันเกาะ แปลปวนไปตามเรื่องของมันนั่นแหละมันแปลปวนไปวันไว้ไปเมื่อมันหมดเหตุปจัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ยุติลงร่างกายนี่ก็เหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินไม่ขยับขยื้อนไปไหนมีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไป เท่านั้นเองนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปหวั่นไหนทำไมอะ่ะเพราะว่าร่างกายอันนี้มันบอกไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วจะไปห่วงมันทำไมอะ่ะมันแปลปวนไปอย่างไรก็ปล่อยให้มันแปลไปตามเรื่องของมันนั่นแหละก็เรารู้ตัวแล้วว่าเราบังคับมันไม่ได้ กันยังขืนไปห่วงมันอยู่เนี่ยมันก็เป็นทุกข์สินั่นแหละต้องเตือนตนเข้าไปอย่าอย่าให้ใจมันห่วงหันห้าอันนี้ต้องหัดปล่อยต้องหัดวางไปแต่ยังเวลาปกติอยู่นี่เมื่อเราหัดปล่อยหัดวางไปเวลามีกำลังใจเข้มแข็งอยู่นี่ ไปเสมอเสมอแล้วเวลาคับถันมามันก็ใจมันก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นเพราะมันมีกำลังอยู่แล้วมันเป็นงั้นกำลังบุญกุศลกำลังสติปัญญาสติก็เคยควบคุมจิตใจมาปัญญาก็เคยวินิจฉัยเคยคิดเคยสอนจิตให้ละ ความยึดความถือต่างๆนา น, นาหม่นี่นะมเมื่อเราเคยชินมาอย่างไรมันก็ปัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแหละเวลาเช่นนั้นมานะอสอนจิตเตือนจิตไม่ให้หลงไปตามทุกขเวทนาต่างๆไม่ให้หลงไปตามไปตามความแปรผันของนามของรูปอันนี้อันนี้นะว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ให้พึ่งพากันตื่นตัวอย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะว่าทุกคนจะต้องได้ประสบภัยพิบัติเหล่านี้แน่นอนทีเดียวไม่มีใครเว้นได้สักคนเดียวเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาทีเดียวเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าความตายจะมาถึงเวลาไหน มันอาจมาถึงเอาปุ๊บปั๊บเอาเลยก็ได้มันไม่แน่เพราะชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นะเป็นคนมีบาปติดตัวมามากมายเพราะฉะนั้นแหละอาการของร่างกายสังขารคนเราสมัยเนี้จึงมีโรคภัคยไข้เจ็บเบียดเบียนสารพัด โรคอย่างร้ายแรงก็มีระ บ, บาดอยู่ทั่วไปเลยโรคใช่นด้หนึ่งได้ ว, ว่าโรคตายปัจจุบันทันด่วนอันนี้เขาเรียกว่าโรคหัวใจวายโรคเส้นเลือดในสมองแตกหมู่นี้น ะ, ะมันมันโรคหมูนี้นะมันไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยอยู่ดีๆมันก็ปุ๊บปั๊บเอาเลยะ นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ต้องอดต้องหัดอดหัดทนไว้แล้วก็ต้องหัดมีสติสมัชญญัญยะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าร่างกายนี้นะมันจะมีความแตกดับเป็นธรรมดามันจะไม่เป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนี่เราทำความรู้กับตัวเองอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่ว่ามันจะตั้งมั่นยั่งยืนอยูอย่ยนี่ตลอดไปไม่มีมันมีแตกดับเป็นที่สุดเลยเวลาที่มันยังไม่แตกดับนี่มันก็แปรปวนไปเรื่อยๆมันค่อยเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยไปอย่าไปเข้าใจว่ามันอยู่นิ่งๆ น, นะร่างกายอันนี้นะมันค่อยแปรปวนไป ถ้าหากว่าบุคคลไม่สังเกตให้ทีทั่วจริงๆจะไม่รู้เลยว่าร่างกายนี้มันแปรปรวนไปอย่างไรถ้าภาวนามีสติธัมปชัญญะกาหนดตามรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้อยู่เสมอเสมอแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายนี้มันค่อยแปรปวนเสื่อมโทรมไปทีละน้อยละน้อยไปอยู่อย่างนั้นแหละ ทุกคนเมื่อภาวนาอยู่ในใจแล้วต้องเห็นต้องรู้แน่นอนทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรอ่ะก็ทำอย่างไรก็ทําความรู้เท่าแล้วรู้เท่าว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมดาของสังขารตนพอใจมาเกิดมาอาศัยสังขารเหล่านี้ ตนก็ต้องอดต้องทนเอานั่นลยถ้าไม่ต้องการอยากมาอาศัยสังขารเหล่านี้ก็ทาความเบื่อหน่ายเข้าไปอย่าไปกำนัดยินดีอยู่ในรูปในกายอันนี้คลายความกำนัดยินดีลงนี่ถ้าไม่อยากมาอาศัยทนทุกข์ทรมานอยู่กับร่างกายสังขารอันเนี้ย หัดปล่อยหัดวางหัดละความยินดีหัดละความยินร้ายในร่างกายอันนี้ลงเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันเป็นปกติก็อย่าเพลิดเพลินอย่ามัวเมาให้ตื่นตัวอยู่เสมอเตือนใจอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่ามันไม่เก็บไข้ได้ป่วยเวลานี้นะ ต่อไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายนี่เนะี่ยมันไม่ใช่จะยั่งยืนอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่ต้องเตือนใจอย่างนี้อยู่เสมอแล้วมันก็ไม่เพลินเลยถึงเมื่อเวลาร่างกายนี้มันแปรปวนวิบัติลงก็จะไปเสียใจเศร้าโศกเพราะว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังมาแต่ไหน นี่เราก็มีสติเตือนใจอย่างนี้เสมอแหละถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้อ่ามันก็จะไม่แปรปรวนไปมันก็จะคงที่อยู่แต่อันนี้มันไม่เที่ยงมันก็ต้องแปรปวนไปตามการเวลาของมันนั่นแหละนี่เราก็ต้องเตือนใจอย่างนี้อยูอย่เสมอทีเดียวอ่ม เมื่อเราหมั่นเตือนใจเวลาปกติอยู่อย่างเงี้ยสติมันก็เข้มแข็งขึ้นสตินี่แหละเมื่ออบรมให้แก่กล้าเข้าไปโดยเรามันก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งนั่นแหละมันกลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาเลย ไอา้ยานความรู้ยิ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยสติเนี่ยมันนึกมันพิจารณาบ่อยๆนี่นะมันกำหนดรูอ้อันจิตดวงนี้ถ้าขาดสติสมัมปชัญญะแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยให้เข้าใจมันจะไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นแหละรู้กับรู้ไปตามธรรมชาติเฉยๆ มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงของสิ่งนี้เป็นอย่างไรไม่รู้เลยถ้าหากว่าปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วนะเหมือนอย่างคนบ้านั่นฮนะลองสังเกตดูสิมันมันก็รู้แต่ว่ามันไปนน่นมานี่กินอยู่หลับนอนก็เพียงแค่นั้นแหละมันไม่รู้ดีรู้ชั่ว อะไรเลยอืไม่สามารถจะรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองไม่สามารถที่จะแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองได้เลยธรรมดาคนบ้าไงเราอยู่ไปตามยาถากรรมเท่านั้นเลยเมื่อหมดกรรมแล้วก็จึงมากาตายเท่านั้นเองส่วนคนที่ไม่เป็นบ้านั้นเป็นคนมีสติสมัมปชัญญะอ เตือนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไม่ให้จิตใจมันไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วหมายความว่าอย่างนั้นอันจิตใจนี่ถ้าหากว่าละความดีแล้วมันก็ไปยึดมั่นในความชั่วมันจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เลยอันจิตใจของคนธรรมดาสามัญ ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ตื่นตัวกันอย่าไปนึกว่าตนดีเรื่อยไปนะถ้าเผลอตัวเมื่อใดแล้วมันจะไปยึดความชั่วเข้ามาทันทีแหละเพราะว่าดีกับชั่วมันเป็นศัตรูกันแ้่พระอรยสัสมกุศลความดีมากๆเข้าไป ความชั่วมันก็ไม่มีโอกาสจะมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจได้เพราะความดีมันมีกำลังเหนือกว่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้าหาว่าใจนี้เกิดประมาทขึ้นมาลืมความดีเสียอย่างนี้เนะี่ยปล่อยให้จิตของตนว่างๆจากกุศลคุณงามความดีนะไอ้ความชั่วที่มันคอยแย่งสิงอยู่นั่น มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยเช่นความรักมันก็จะโผล่ขึ้นมาหรือความโกรธมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่องมันนะเป็นอยู่นี่แหละความหลงก็เหมือนกันนะมันจะทําให้จิตใจนั่นไม่รู้ตัวคิดอะไรไปเพลินไปมัวเมาไปไม่รู้ตัวเลย ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเลยเนี่ยลักษณะของความหลงมันก็เป็นอย่างนั้นนะเนืงนั้นอย่าไปเข้าใจว่าชีวิตของเรานี่ไม่มีภัยนะมีภัยอยู่รอบด้านเลยทีเดียวบุคคลผู้ยังไม่สามารถจะบรรลุถึงโลกุตระธทมได้มันย่อมมีภัยคือบาปทำนี่แหละเป็นภัยแห่งชีวิต มันคอยที่จะเข้ามาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจนี้เสมอนี่ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันคอยทีอยู่ตลอดเวลาเลยเผลอตัวเมื่อใดเป็นอันว่ามันแทรกแทงเข้ามาทันทีหละดังนั้นทุกคนขอให้พากันตื่นตัวอย่า อย่าทำตนให้เป็นคนไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องอ่ะเพราะว่าบุญกุศลได้ที่เราทำมาแต่ชาติก่อนนู้นนะมันได้มาตกแต่งธาตุสี่ขันห้านี่ให้ได้อาศัยเป็นอย่างดีแล้วถ้าไปได้อาศัยธาตุขันอย่างอื่นแล้วสัตว์อื่นแล้วไม่ได้เรื่องอืม เราจะทํากุศลคุณงามความดีอะไรให้เจริญขึ้นในตนก็ยากเช่นอย่างว่าไปอาศัยร่างของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหมนีน ะ, ะไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ทํากุศลคุณงามความดีอะไรอะได้สเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นแหละ นี่ตั้งความกลัวไวให้มากมากทีเดียวถ้าใครไม่ตั้งความกลัวไว้มากๆแล้วมันจะประมาทอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละมันจะปล่อยจิตของตนให้ไปยึดบาปอกุศลว้แล้วแน่นอนแหละถ้าไปยึดบาปอกุศลวยมันก็บาปอกุศลมันก็ น, นาดวงกิจนี่ไปปฏิสนธิในโครงล่างของ สัต์ต่างๆดั ง, ง, งกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้แหละพระผู้มีพระพภาคเก่าของเราทั้งหลายจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ตื่นตัวอยู่เสมอคําสอนของพระองค์นั้นคล้ายกับว่าปลุกให้เราตื่นอยู่เสมออย่างเช่นในอภินิหารปัจเวก์หานั่นนะ เป็นคำสอนที่ปลุกให้คนตื่นตัวให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องได้พัดพราจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเลยบัดนี้เรามีกรรมเป็นของของตน น, ะนั่น ผู้ดใดสะสมกรรมอันใหนไว้กรรมนั้นแหละก็จะติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนจะไปอำนวยความสุขความทุกขให้ในที่ทุกสถานถ้าไปทํากรรมชั่วใส่ตัวไว้คิดเอากรำชั่วไว้กรรมชั่วมันก็นําไปสู่ทุกเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรอ่ะถ้าใจมันยึดมั่นในกุศลคุณงามความดีได้ บุญกุศลความดีอลไรนี้มันก็นำไปปฏิสนธิในสถานที่มีความสุขสำหรัญเบิกบานใจนี่สำหรับผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดจิตใจนี่ของพุทชนนี่จึงชื่อว่าเป็นของไม่แน่นอนนั่นแหละแต่ที่มันจะแน่นอนได้ก็เพราะอาศัยข้อปฏิบัติ อาศัยที่เราฝึกผลอบรมตนให้จิตใจมันชอบต่อบุญต่อคุณนี่ไว้ให้มา ก, มากๆทีเดียวเตือนใจสอนใจอย่าให้มันไปชอบกับบาปอากุศลต่างๆนี่ข้อสําคัญอยู่ตรงนี้เองนะเพราะบางคามันเผลอตัวมันก็ไปชอบบาปอากุศลอยู่นะจิตใจนี่นะอย่าไปเข้าใจว่ามันไม่ชอบนะเ อ, อพิที่มันไม่ชอบ ก็เพราะมันมีสติรละลึกได้อยู่เวลาเวลามันไม่ชอบนั่นน่ ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นพอเวลามันเผลอตัวแล้วนอนเมื่อกลับไปชอบอีกแล้วนี่ต้องรู้ตัวไว้เสมอทีเดียวก็เพราะเหตุนี้แหละคนเรามันถึงทำความชั่วได้ ปุถุชนให้เป็นกัลยาณชนปุถุชนแปลว่าเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นอยู่ในจิตใจมากสามารถทําความชั่วใส่ตัวได้เนี่ยคําว่าปุถุชนนะนี่คําว่ากัลยาณชนน่ะห็นไมเอาบุคคลผู้ที่ชอบความดีมากกว่าความชั่ว เป็นผู้สะสมกุศลกุณงามความดีไม่หยุดยัง้งจนกลัวมันจะเต็มเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เรายังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มยังบกคร้องอยูน่นี่ผู้ใดคิดได้อย่างนี้มันก็ไม่นิ่งนอนใจเลยถือเอาการเวลานี่เนาะ เป็นเครื่องบําเพ็ญบุญกุศลตลอดไปเลยไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนเราจะต้องบําเพ็ญบุญกุศลตลอดไปอธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอทีเดียวอเมื่อรู้ว่าบุญกุศลของตนยังไม่เต็มยังบุกคล้องอยู่ผู้ดใดตั้งกิตใจลงไปอยู่นี้เสมอเสมอนั่นนะท่านเรียก ว, ว่ากันลยานชน แปลว่าบุคคลผู้มีทำอันดีงามอยู่ในใจเสมอหรือถ้าพูดชัดๆก็เลยบอกเป็นผู้มีกุศลธรรมอยู่ในใจเสมอใจไม่ได้มีอกุศลธรรมตั้งอยู่เนี่ยคาว่าการยาในช น, นดังนั้นทุกคนให้ตื่นตัวเสมอไป อธิษฐานในใจว่าเราจากบำเพ็ญตนให้เป็นกัลยาณชนให้ได้เราจากละความเป็นปุถุชนเราจากเบื่อหน่ายต่อความชั่วทั้งหลายเราจากปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผู้ เ, เจ้าด้วยความไม่ประมาทในการทุกเมื่อให้พากันอธิษฐานใจอย่างนี้ก็เป็นอธิษฐานบารมีนี่ การอธิษฐานใจในการที่จะกระทำความดีในอันที่จะลาความชั่วเสมอไปอยู่นี่นะเนี่ยอธิฐานบา ร, รมีเราก็เอามาใช้เวลาอย่างนี้แหละเรามาสร้างอธิฐานบา ร, รมีให้เกิดขึ้นในเวลาเช่นนี้แหละให้พึงเข้าใจแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ สร้างอธิฐานะบา ร, รมีขึ้นในพระทัยขององค์เวลาอย่างว่านี่แหละบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงคำว่าอธิฐานะบา ร, รมีอย่างนี้นะไม่รู้นะบางคนนะเพราะฉะนั้นให้ควรรู้ไว้ถ้าผู้ใดไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มันอธิษฐานในใจของตนอย่างว่ามาแล้วนั้น ผู้นั้นก็ไม่ได้สร้างอธิษฐานบา ร, รมีเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่มันอธิษฐานอย่างนี้บุญกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้ น, นถึงมันมีอยู่มันก็ซ่อนๆตัวอยู่งั้นแหละมันไม่ปรากฏขึ้นในใจนี่ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระโพีิสัตว์เจ้าทั้งหลายตามตำราท่านแสดงไว้นะ เวลาท่านไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องขึ้นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้ท่านจะอธิฐานใจถึงบุญบญาบารมีที่ท่านได้สร้างสั่งสมอบรมมาเลยไม่ท่านไม่ได้อธิฐานนึกถึงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลอะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือตนท่านไม่ได้นึกหรอก ทานึกถึงบุญบารมีนู่นนั่นเนี่ยแล้วบุญบารมีนั้นหักไปเตือนใจพระอินทร์พระพรหมให้มองด้วยทิพเนตรลงมาเห็นพระองค์ท่านกําลังได้ประสบอุปสรรคความขัดข้องอย่างนั้นอย่างนั้น น, นั่นแหละพระยาอินถึงจะลงมาช่วยให้เข้าใจอย่างนั้นคนส่วนมากมันไม่เข้าใจอย่างว่านี่นะพอตนได้ประสบ ความอุปสรรคขัดข้องภัยพิบัติอะไรมาแล้วไปนึกถึงอินถึงพรหมนุ่นทันทีเลยนึกถึงเทวดาอินพรหม น, นุ่นนั่นไงแทนที่จะมานึกถึงบุญกุศลความดีที่ตนได้กระทา ม, มาหรือว่านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ตนได้นับถือเรื่อมใสเขารกกราบไหวบูชาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ไม่ไม่นึกแล้วอ่า อันนี้เพิ่งพากันรู้ไว้นึกอย่างนั้นไม่ไม่ถูกทางหรอกอพระยาอินก็ไม่รู้นะพระยาอินไม่รู้หรอกนึกเพียงแค่นั้นนะต่อเมื่อพระยาอินจะรู้ได้อผู้นั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนได้บําเพ็ญมาถ้าบุญกุศลของตนมันมากพอมันก็จะไปทํามาให้ แท่นบรนดุ ก, กรรมพลศิลาอาถงพญายินนั่นแข็งกระด้างขึ้นในวัะนั้นพญายินก็รู้ได้เลยว่าเอ๊ะมันต้องมีเหตุอันหนึ่งในมนุษย์โลกเนี่ยอย่างนี้แหละก็เล็งทิพเนตรลงมาเลยก็เห็นเลยออผู้ใดมีบุญวาสนาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับพญายินแล้วพญายินก็รู้ได้เลยเป็นอย่างนั้น เมื่อพระยินรู้ได้อย่างนั้นพระเยินก็ลงมาช่วยอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่บุคคลมองเห็นได้ยากแต่ที่นำมาพูดนี่ก็เพราะเหตุว่าคนทั้งหลายนั่นมักจะมีสติฟั่นเฟือนหลงละเมอนึกถึงแต่เทวดาอินพรหม เมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติต่างๆมาเหตุนั้นจึงได้ยกออกมาสแสดงเรื่องมันนะแต่บางคนผู้ที่เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณพระรัตนกลัยอย่างมั่นคงในใจแล้วก็เอาก็ยกไว้เมื่อเวลาถึงภัยพิบัติมาถึงเข้าก็จะนึกถึงแต่บุญแต่คุณผู้ที่ท่านเจริญสมถาวิปัสสนา อย่างชำนิชำนานมาท่านก็จะนึกถึงสังขารร่างกายนี่เ่ยจะต้องพิจารณาความจริงของร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นพุกเป็นอนัตตาไตรลักษณญาณก็จะปรากฏแก่ท่านผู้เจริญวิปัสนาญาณอย่างนั้นเมื่อญาณสามนี่ปรากฏ ในจิตใจของท่านแล้วท่านก็ไม่วันไหวต่อทุกเวทนาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยท่านก็ไม่หลงไม่ลืมตัวอจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ได้พอเห็นว่าสังขารร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเราเนี่แล้วจะไปวันไหวกับมันทําไมอ่ะนี่ก็เมื่อเห็นแจ้งโดยพย า, ยานอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่วันไหวจิตใจอ่ะ ไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวย่อมกล้าหาญเต็มที่เลยตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ได้นี่การอบ ร, รมจิตใจนะมุ่งให้ใจมันเข้มแข็งกล้าหาญดังกล่าวมานี่ให้เพิ่งพากันเข้าใจถ้าผูใ้ใดมีใจกล้าหาญอย่างว่านี้แนละ้วก็ไม่ลืมตัวอะไรบ่บนี้เวลาชวนจะตาย ก็มีสติเต็มที่เลยเรียกว่าตายไปแบบที่ว่าไม่เกาะไม่คล้องกับสิ่งใดในโลกอันนี้นั่นแหละถ้าหากว่าบุคคลพุทธันละอาชาวะกิเลสยังไม่หมดอย่างนี้นะมันก็ไม่เกิดอยู่ในโลกอันนี้มันก็ไปเกิดในโลกอื่นนู้น ไปเกิดในโลกที่มันมีความสุขยิ่งกว่านี้เพราะว่าจิตมันเห็นโทษเห็นทุกข์แล้วนี่มันเบื่อต่อโลกอันนี้พอแรงแล้วแล้วเรื่องอะไรมันจะวกมาเกิดอยู่ในโลกอันนี้อีกในวัยนี่ย้มันไม่มาแล้วบุญกุศลความดีที่กระทํามาหมู่นั้นมันก็ส่งให้ไปเกิดในโลกอื่นนู่นอ ที่ท่านเรียกว่าสวรรค์หกชั้นนุ่นในพึ่งพากันเข้าใจที่เกิดของผู้มีบุญไม่ใช่ว่าจะเพียงมนุษย์เท่านี้หนึ่งนี้นะสวรรค์หกชั้นภพมรรคสิบหกชั้นล้วนจะเป็นที่เกิดของคนผู้มีบุญได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้น แต่ในโลกนี้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าบุญกุศลนั้นยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็จึงยังบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานไม่ได้ก่อนเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็ต้องได้เกิดอยู่วันยังค่ำเลยไม่อยากเกิดมันก็ต้องได้เกิดนี่พึงเข้าใจสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเอา ถึงจะเกิดอีกก็ขอให้เกิดดีอมันก็ต้องอย่างนั้นคนมีปัญญานะมันต้องตื่นตัวเอาละเมื่อรู้ว่าเรายังจะต้องเกิดอีกอยู่ก็ขอให้เกิดดีเราจะชําระตนให้สะอาดเลยในเวลาที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยเราจะไม่ยอมทําความชั่วเราจะไมย่ยอมปล่อยตนให้ตกไปในที่ชั่วที่ต่ํา นี่มันถึงเวลาที่เราทุกคนจะพึ่งเตือนตนได้แล้วเพราะว่าเราได้มาอาศัยอัตภาพร่างกายของมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่าเป็นของประเสริฐสามารถบำเพ็ญเอามักเอาผลก็ได้ นี่ถ้าบุญกุศลที่ตนทามาแต่ก่อนมันม า, ม, ามาเต็มในชาตินี้มันก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้แหละไม่ต้องสงสัยเลยท่านผู้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษทั้งหลายส่วนมากก็ได้มาอาศัยธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันเป็นมนุษย์นี้เองออลองสังเกตดูนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านัานะ่นหละเป็นต้นลงมา ก็ได้อาศัยขันห้านี้เองนะเพราะฉะนั้นการทนุถนอมการบำรุงขันหานี้ไว้ก็อย่าไปคิดว่าบำรุงไว้เพื่อแสวงหาความสุขในโลกนี้แสวงหาความล่าเริงบันเทิงในโลกนี้โดยส่วนเดียวผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นนับว่าเป็นผู้ลืมตัวจริงๆนะ เป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงส่งขึ้นไปเลยจิตใจของผู้นั้นก็จะเกาะ อ, อยู่แต่ในโลกอ น, นี้โลกอื่นที่ท่านกล่าวว่ามีความสุขยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีทางจะได้สัมผัสเลยอย่าว่าแต่พระนิพพานเถิดผู้ที่ จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกอันนี้ไปได้ก็เาาพราะมาภาวนาเพ่งดูอัจภาพร่างกายนี้เสมอเสมอมันจะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้แล้วมันจะเห็นความแปรปรวนของร่างกายอันนี้กระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่เสมอนะนี่แหละมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นก็นด้วยเหตุนี้แหละอัน พ, พูดที่ไม่เบื่อหน่ายนั้นก็เพราะว่า มันไม่ได้มาเพ่งดูเสมอนี่เอา้าเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาก็ไปหาหมอเสีฝากชีวิตทีวาไว้กับหมอเอาให้หมอช่วยเยียวยารักษาให้ อ, อย่างนี้แหละเมื่อหมอวางยาวางยาเข้าไปเมื่อยามันถูกกับโรคมันก็ ทำให้ทุกขเวทนาบรนเทาลงในที่สุดโรคภัยไขยเ้เจ็บนั้นหายไปกระถือว่าตนมีความสุขสบายแล้วก็นอนใจแล้ววันนี้นะไม่ได้คิดว่าโรคภัยไขยเ้เจ็บนี่มันมีเท่านี้หรอือไม่มีเท่านี้ต่อไปมันอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้เตรียมตัว เป็นอย่างนั้นแหละคนส่วนมากคนที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี้บ่อยๆแล้วเวลาร่างกายสังขารนี้เป็นปกติก็ลืมตัวแล้ววันนี้เผลินเมาเวลาร่างกายนี้วิบัติลงเอาแล้ววันนี้เป็นทุกข์เดือดร้อนลอะกลัวตายก็กลัวตายกระวนกระวาย ไม่ได้สติสัสมปชัญญะอะไรดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่นี่อันนี้ให้พึงพาการ ล, ลึกไว้เสมอทีเดียว啊 mm hmm. ในในเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐปานนี้แล้วร่างกายอันนี้ก็นับว่าเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลได้เป็นอย่างดีเลยอ่ม จิตใจที่ได้ร่างของความเป็นมนุษย์มานี่นะมัน ร, รู้ดีรู้ชั่วได้มันนึกคิดอยากจะแสวงหาความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปใส่ตนของตนได้ถ้าหากว่าจิตนี้ไปเกิดเป็นสัตว์รัษฉานอย่างที่มันเกิดร่วมโลกกันอยู่นี่นะลองวาดภาพดูซิละมันจะเป็นอย่างไรนั่นแหละ ธรมรมดาจิตใจของสัตว์เดรัจฉานนั้นมันจะไม่นึกคิดอย่างมนุษย์เราเลยนี่ถ้ามันนึกคิดอยากจะไปเสวงหาอาหารมากินแล้วก็นึกคิดจะไปเที่ยวท่องเสพการะคุณไปตามธรรมชาติเท่านั้นแหละมีเท่านั้น เ, นนนเองอความประสงค์ของสัตว์เดรัจฉานนั้น ซึ่งว่ามันคิดทำอย่างไรหนอเราจรึงจะพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้แล้วมันจะไปคิดทำความดีอะไรมันก็ทำไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่อำนวยมันจะพูดจาประายอย่างมนุษย์เราก็ไม่ได้มูนี่เรียว่าเราจ ะ, จะเอามาเปรียบกับมนุษย์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์นี่นะนับว่าถ้าพูดในแง่ดีแล้วก็นับว่าดีมากทีเดียว แต่คนเรามันลืมตัวสิปานี้นะมันมองไม่เห็นคุณค่าแห่งขันห้าอันนี้ไปใช้ขันห้านี้ไปทําบาปเข้าไปอย่างนี้นะใช้ขันห้านี้ไปฆ่าสัตว์ไตลักทรัพย์ไปแบบพืติผิดในกรรมใช่วาจาไปพูดเท็จพูดเรื่องไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผเพื่าเพ็งของตนด้วยวาจาอันไม่จริงไม่จังโมนี ไปเที่ยวพูดสอเสียดยุยงให้คนอื่นแตกคราสามคีกันอา้าใช้วาจาไปพูดคำหยาบรลนพูดเสียบแทงให้ผู้อื่นเจ็บอกเจ็บใจพูดเธอเจอเลวไหลหาประโยชน์อันใดไม่ได้ใช้กายอันนี้ไปดื่มของมึนเมาต่างๆ นับตั้งแต่บุหรี่นี่ละเป็นต้นขึ้นไปทีเดียวฮ ะ, ะ, ะบุหรี่สุรายาปินเฮโรอินกัญชาอะไรหมนีช่ชอบตชอบหนามนุษย์เรา อ, ะอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นภัยต่อชีวิตชีวามันเป็นภัยต่อร่างกายอย่างมหหันเป็นภัยต่อจิตใจอย่างมากมาย ไม่รู้ตัวเลยคนแ่งซ่องเสพของเสพติดใจโทษ ต, ต่างๆเหล่านี้นะจิตใจนั้นไม่ดีเลยไม่เป็นปกติเลยเรียกว่าจิตใจฟั่นเฟือนก็แล้วกันแหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่ได้ซ่องเสพของเสพติดเหล่านี้ก็ให้สังวรระวังตนไว้อ่า ถ้าอยากมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้ารักตัวนะกลัวต่อความทุกข์ความยากลำบากแล้วนะไม่ควรจะตกเป็นท่าแ่งตันหาในของเสพติดไห้โทษต่างๆมูเนีย้ยนี่รละขันห้านะบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วถ้าเราใช้เป็นแล้วดีจริงๆนะ เราใช้มันทำบุญทมกุศลใช้มันกราบไหว้ในสิ่งที่ควรกราบควรไหว้ได้แก่กราบไหว้พระพุทธคุณพระพุทธ เ, เจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กราบไหว้มารดาบิดาไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้มีพระคุณทั้งหลายหมู่นี้นะ การเรากราบเราไหว้พวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญได้กุศลได้บุญได้กุศลบางคนไม่เข้าใจอบางคนก็เข้าใจเพียงแค่ว่าได้บุญได้กุศลแต่กราบพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นเละไหว้อย่างอื่นไม่ได้บุญกุศลอย่างนี้ก็มีนะเมื่อเรานึกถึงว่าสิ่งนี้มีคุณตักระท่อเล่าสิ่งนี้เราควรเคารพ บ, บูชา เมื่อนึกได้อย่างนี้เรากราบเราไหว้เราสักการบูชาลงไปล่ะได้บุญได้กุศลทางนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำกายนี่ให้แข็งกระด้างกระเดืองมันจะแตกกระดับอยู่แล้วเราจะไปแข็งกระด้างทำไมอะ่ะใช่มันทำความดีเข้าไปสี่ใช้มันประกอบกุศลกิจต่างๆเนี่ เริ่มจากการให้ทานนั้นแหละมาใช้มันทำการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่การงานนั่นต้องปราศจากโทษคนเราถ้าว่าเกียร์คลานทำการงานแล้วมันก็จะได้วัตถุสิ่งของที่ไหนมาเป็นวัตถุทานได้มันไม่มีนั่นไงแม้แต่จะ เลี้ยงอัตภาพตัวเองก็ไม่เพียงพอคนเกียดข้านทำการงานเกียดข้านศึกษาเราเรียนวิชาความรู้นี้ถ้าเป็นพระภิกษุ ส, สามเณรบวชเข้ามาแล้วก็เกลียดข้านศึกษาเราเรียนธรรมวินัยแล้วก็เกียดข้านฝึกผนอบรมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อศีลตรงต่อสมาธิ ทรงต่อปัญญาเช่นนี้แล้วภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ไม่มีคุณความดีอะไรอยู่ในตัวขันทังห้าอันนี้ก็จะไม่เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยมัวแต่เกียดครานมัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่ตกเป็นทาตแหงแห่งกิเลสตัณหาแล้ว ก็น่าเสียดายถ้าที่ตนได้ทําบุญกุศลมาในชาติก่อนนู่นบุญกุศลก็จึงมาตกแต่งขันห้านี้ให้ได้ถ้าบุญไม่มากพอก็จะไม่สามารถมาตกแต่งขันห้าอันเป็นขันของมนุษย์นี้ได้เลยแล้วก็จะมีการบกพ้องอย่างไดอย่างหนึง่งถ้าหากว่าบุญไม่มากพอนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อผูดด้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วนะก็อย่าพากันประมาทเพราะว่าบุญกุศลความดีต่างๆนั้นต้องทำเอาทั้งนั้นมันถึงได้นะถ้าไม่ทำไม่ได้อยู่เฉยๆจะให้บุญกุศลมันเกิดขึ้นเองนะไม่ได้นะทานอย่างนี้นะเมื่อตนไม่ขวนขวายหาวัตถุสิ่งของนะจะไปเอาของอะไรมาให้ทานได้ ลองคิดดูนี่แหละศีลอย่างนี้นะเมื่อตอนไม่สำรวมกายวาจาให้เป็นไปตามพุทธบัญญัตินั่นนั่นแล้วมันจะเป็นศีลได้อย่างไรอ่ะอถ้าตนไม่ตั้งเจตนาลงในใจนี่ว่าเราจะรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์จากไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติถ้มไว้โดยเด็ดขาดเลยอย่างนี้ ถ้าตนไม่ตั้งใจลงอย่างนี้มันก็รักษาสินไม่ได้เลยจะเป็นสินห้าก็ตามสินแปดก็ช่างสินของสามาเณรก็ตามสินของพระภิกษุสงฆ์ก็ตามแหละมันมีไม่ได้ถ้าตนไม่ตั้งเจตนาลงอย่างว่านั้นน ะ, ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งเจตนาลงให้ดี ให้แน่วแน่ในใจเลยทีเดียวไม่ต้องลังเลไม่ต้องย่อท้อว่าอืมสิลนี่มีมากมายเหลือเกินเราจะทํายังไงเราจะรักษาไหวเราจะรักษาได้หรือไม่ควรไปวิตกอย่างนั้นอืมถ้าว่าบุคคลไม่สามารถที่จะทำได้เ้าไซรษศาสตาไม่ทรงแต่งตั้งบรญญัติได้หรอกอเรื่องหมนี้นะ พระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าอยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะต้องทำได้ไม่ไม่ได้อยู่นอกวิสัยของมนุษย์เราให้เข้าใจอย่างนั้นไม่มีใครจะมาทำให้เราแล้วเราต้องทำเอาทั้งนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตใจให้สงบระงรับก็เหมือนกัน เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละเราจะไปให้ใครช่วยไม่ได้เลยตัวเองต้องช่วยตัวเองต้องทําตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นจริงจังเลยการสํารวมจิตก็ต้องสํารวมไปทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราไซอะไรต่ออะไรก็มีสติควบคุมจิตอยู่เสมอไม่ลืมตัวนี่ โมนี่นะ่ะมันใครไปทําให้ใครได้นะ่ะลองคิดดูสิตัวเองเนะี่ยต้องทําให้แก่ตัวของตัวเองออ่เการสํารวมใจอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าเป็นการรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมนี่เมื่อสมาธิไม่เสื่อมปัญญามันก็ต้องมีอยู่เรื่อยไปน ะ, ะมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กําหนดรู้ได้มันก็เห็นได้มันก็รู้เท่าเอาทัาน เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่หลงไม่ลืมไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปตามนี่ถ้าหากว่าสมาธิไม่มีอยู่ในใจนั้นปัญญาก็ไม่เกิดแล้วมันก็มีแต่หลงหล่ะวันนี้นะตาเห็นรูปก็ยินดียินร้ายไปตามรูป หูได้ยินเสียงก็ยินดียินายไปตามเสียงจมูกได้สูดกลิ่นก็ยินดียินไรไปตามกลิ่นนั้นนั้นลิ้นได้ลับรสอาหารอะไรก็ยินดียินไรไปตามรสนั้นกายได้สัมผัสเย็นร้อนก็อ่อนแข็งอะไรก็ยินดียินรายไปตามสัมผัสนั่นนั้นนะนี่การที่เราไม่ฝึกขนอบรมสมาธิปัญญา ให้ตั้งอยู่ในใจเสมอไปแล้วมันจะหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามีสมาธิมีปัญญาประจําอยู่กับใจแล้วมันจะเห็นกคงกันข้ามนะมันจะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดแล้วแปลปวนแตกดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอ่แล้ว เมื่อมันเห็นอะไรมันก็ปล่อยวางไปเรื่อยจิตใจก็เป็นปกติสม่ำเสมอไปปกติรู้ปกติเห็นความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายปกติเห็นความดับไปแห่งสังขารทั้งพวงอยู่อย่างนั่นเรื่อยไปนี่หละจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวิตรสงสารดังแสดงมา